ท่านสาธุชนโปรสนใจไใข่ตอบธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้ถึงรายการไขปัญหาแล้วการไขปัญหาคือการอธิบายธรรมะที่อยากให้ง่ายขึ้นก็ได้หรือที่ยังไม่มีความพิจารณาให้พิจารณาเพิ่มก็ได้เฉพาะวันนี้การไขปัญหาในหัวข้อธรรมะที่ค่อนข้างจะยาก อเรื่องพิสูจนิพพานปัญหาก็อนนีว่าคำว่านิพพานแปลและหมายความว่าอย่างไรนิพพานนี่จริงหรอไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองมาโดยหลักฐานเป็นอธิบายคำว่านิพพานนี้เราทำความเข้าใจกันด้วยตัวหนังสือก่อนหนทางที่เราจะเดินเราจะไปสู่มาผลนิพพานนั้น มีหนทางที่เราควรจะทราบอยู่คือหนึ่งทางไปนรกในธรรมบทก็มีนางพิศุนีองหนึ่งฉลาดในทางเกตสายนี้โอริเจ้ารับรอกมัคามัคัตโกวิตถวเป็นผู้ฉลาดในหนทางใน ม, มีใขทางนีทางเส้นที่หนึ่งทางไปนรกนรกนมีสี่ร้อยห้าสิบขุม ไปเพาะ อ, อำนาจโทสะเส้นที่สองไปเป็นเปรตและอสุรกายไปเพาะ อ, อำนาจโลภะหรือกันหาเส้นที่สามไปเป็นสัตติริชานไปเพาะ อ, อำนาจโมหะคือหลงเส้นที่สี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะสินห้ากุศลกบฏบสิบเส้นที่ห้ า, บบหาไปสวรรค์พระมหากุศลแปดเส้นที่หก ไปพร ม, มโลกเพราะเจริญสมถทรรษมฐ า, านเส้นที่เกตไปนิพพานเพราะเจริญวิปัสนาอันนี้หนทางเดินทางมีเจ็ดเส้นทีนี้วันนี้จะไขะเฉพาะการพิสูจน์นิพพานเราต้องทำความเข้าใจกันซะก่อนว่านิพพานเป็และหมายความอย่างไรตามตัวหนังสือคำว่านิพพาน ในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมัดทุกสมุทัยนิโรธนิโรธนี่คือนิพพานนิพพานนี่มีความหมายในหลายอย่างคำว่านิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดคือออกจากปัญหาหมายความว่าสษษ ร, ร, รรพสัตว์พักกันจมอยู่ติดอยู่ในวัฏสงสารเพราะมีเครื่องร้อยรัดมีเครื่องผูกมัดไว้ซึ่งได้แก่ปัญหา ปัญหาพาให้ติดอยู่ในสังสารวัตรทั้งสามชั้นคือสังสารวัตรชั้นต่ำสังสารวัตรชั้นนี้ได้แ ก, ก, ก่ ม, มิจฉาทิฏติอกุศลกรรมบุตรสิทขันธ์ที่เกิดอยู่ในอวัยวะกรุงทั้งสี่ติดอยู่ในสังสรวัตรขั้นกลางนั่นคือกามตัณหาอกุศลกรร ม, มบุตรสิทขันธ์ของมนุษย์และเทวดา คือติดอยู่ในการมสุกติภูมิเจ็ดติดอยู่ในสังสารวัตรขั้นสูงขั้นสูงคือภวะปัญหามหคตโกสนเก้าหรือมหักตโกสนแปดนะมหักตโกสนหนึ่งเก้านะมหคตโกสนเก้าขันในรูปตัวพลและอรูปตัวพลนี่เรียกว่ามนุษย์เรามันติดอยู่ตรงนี้ท่องเที่ยววนเวียนเวียนไหวได้เกิดอยู่ใน วัฏสงสารซึ่งแบ่งเป็นสามขั้นท่งงานน้ายบอกอภิากแล้วกระดืออำนาจปัญหาทั้งนี้ก็เพราะปัญหานั้นเองเป็นตัวการนันสําคัญพาให้ลุลกหลงติดอยู่ในเหตุที่มาสงสารมัจฉะมสงสารและอุปเรมสงสารเมื่อถึงพนิพพานแล้วเครื่องร้อยรัดเหล่านี้ไม่มีเลยดังนั้นพนนระนิพพานจึงแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดคือปัญหา มีตามตังหนังสือก่อนนี้อสอนยุพานโต้เครื่องดับไฟคือกิเลสหมายความว่าสรรพสัตว์ในสากลโลกนี้พากันเดือดร้อนเพราะหูกไฟเผาไฟนั้นคือราคะโทสะโมหะอันไฟธรรมดาที่ไม่บ้านเรือนเราอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องมีเครื่องดับจึงจะสงบระงับลงได้โดยไม่ลุกลามไม่บ้านนังอื่น อ, น อ, น, อนอีกต่อไป ไฟคือกิเลสอันเป็นไฟภายในก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลมีเครื่องดับไฟอยู่และดับลงไปได้แล้วคือถึงนิพพานแล้วไฟเหล่านั้นก็สงบไปดังนั้นนิพพานจน็เป็นแปลว่าต้นเพื่อนดับไฟคือกิเลสแต่เ่อถึงตอนนี้แบบทำให้นึกถึงไฟคือภูเขาไฟระเบิดก็ควรจะรีบพูดเรืงภูเขาไฟระเบิดอี่เกิที่เมืองประเทศโคลอมเบียใชนะ่ไหม เมืองอะไรเมืองเมืองอาเมโรและก็หนมเมืองอาร์เโรกับหกเขาข้างล่งของภูเขาไฟเนวาโดเดนรุ่ของโคลัมเบียอ่าภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟตารันข้าวภายนอกภูเขาไฟภานอกระเบิดเป็นคนเป็นตรงเันนยาวเผาคนก่วงคนตายไปสองหมื่นสองพันสาร้อยสิบสี่ศพ นาสงสารก็ช่วยเหลือกันหน่อยแลนี่กันของสัตว์นั่นเป็นไฟภายนอกแต่ยังร้ายแรงขนาดนี้อยมนะแกใส่โปเขาใส่ภายในดีชี้อป้เขาไฟไนน่ภายในถึงสิบเอ็ดกลองนี่สําคัญมากนะโปเขาไฟทุืราคะโปเขาไฟ่คือโทสะโเูเขาไสคือโมหะโเูเขาใฟคือชาติคมตุรานะคมแกมรณะคมตายแก ต, ตาย สกสังโกเศร้ราเสียใจปรเทวนาการอูปาญาตเขาแข้นใจเพาเขาไฟเฉลยอดกงนี่มันล่วงทับสรรพสัตว์ให้เดือดรอนไหเวียนว่าไตเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายผลไปวนมาไม่มีที่สิ้นสดุดเหมือนกับไปก็มาจากไหนเกิมาจากใครใครก็มาจากไหนเกิมาจากใครเหมือนตาบอดรักคอายแก่เชื่อกควายแล้วขึ้นทีหลังไปวนอยู่ในทอ่อโนว่าไปถึงไหนแล้ว หรือเหมอนไผ่เรือนหองายไปทั้งวันมันก็อยู่ในหนองเพามันไม่มีทางไปหรือเขาไหนเขาหลวงหลวงไหนหลวงพลพรงในพลสอรสอรไหนสรยิงยิงไนกนกนกไหนนกเขานี่ว่าถึงมังวนมัวนว น, วนอย่างนี้ิเลย์ย เ, ลเกิขึ้นใ้ฟังคำฟังคาแล้วเดี๋ยผลของคำเป็นวิบาสชนเราอยากจะได้คำน้นเป็นของเจ้าของเขานี่ิ ย, ยสวัส วนคือกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วกรรมวัดเขาไปนักถนนเขานั่นวนคือผลกรรมวีบากระวนคือกรรมวีบากวัดเขาจับได้ติดตารางนั่นเรีย ว, ว่าผลกรรมเราทั้งหลายก็วนีอยู่อย่างนี้แหละวนไปทั้งสามวัดตะนั่นแหละสงสารเบื้องต่าสงสารเบื้องกลางสงสารเบื้องสูงดังติจเหตุมาแล้วไอ้ น, นี่เราจะต้องดับไปคือกิเลดังที่ก่ามา ส่วนข้อที่สามขมันนิพพานแปลว่าสิ้นสิ้นเชื้อหมายกว่าเชื้อที่จะก่อพกขอชาติให้เราได้รับความทุกข์ต่างๆนั้นเรียกว่าอนุัยคือจิเลตที่นอนดองอยู่ในขันไดสั น, นสดาของปวงชนได้แก่อนุสัยกราคะโทตโมหะถ้าอนุัยทั้งสามนี้ยังมีอยู่ตราบใดสรรพสัตว์ก็ยังต้องเกิดแก่เจิเเเเตายดุจตราบนั้น เพราะเชืหรือพืชที่จะกอ่อให้เกิดอีกยังมีอยู่อุปมาดุจต้นหุ่นกรพิษถึงแม้จะเราจะตัดใบตัดดอกออกไปแล้วในไม่ช้าก็จะต้องส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาให้เ่เราได้ยเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเงาของต้นกระพิษนั้นยังมีอยู่ยังมีอยู่อีกอุปมาหนึ่งอนุยัยนั้นเปรียบเหมือนพิะกร น, นอนอยู่ต้นต๋ม ถ้าเรายังไม่เอาเมยหรือไม้ไปกวนไปคนที่ตะคอนนั้นก็ยังไม่ลอยขึ้นมายังไม่ฟูขึ้นมาข้างบนน้ําก็ยังใส่แ๋วอยู่เุื่จะไม่มีอะไรค้นเอาเมย์หรือเอาไม้แล้วไปกวนไปก้นตกลมน้ําก็จะคุ่นทันทีเพราะที่ตะคอนที่มีอยู่นั้นลอยขึ้นมาข้อนี้ชันใดอนุใส่ก็ชันนั้นถ้าถึงปณิพนันแล้วเชื้อต่างๆคืออนุใสย อี่อพบพกปอบชาติก็ขาดหายไปหมดสิ้นไปไม่มีเหลือเลยแม้แต่น้อยดังนั้นพระนิพพานจึงแปลว่าสิ้นเชื้อตีนิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องสมองหมายความว่าเครื่องสมองนั้นได้เจรสังเกตทั้งหลายเอสังเกตทั้งสิทธะแหละมีโละโทตมโมหะมานะทิทิฏหิริกะอนุตตะปะเป็นตัวอย่าง กิเลสทั้งหลายมีทิฏฐิความเห็นติดอิจฉาความริษยากันมัจกริยะคนตนณีกุกุฏกะความพุ่งสันลำพานธ์อิจิจิตขาความสงสัยหลังเลใจโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะควา ม, วามลาหลงอริกะความไม่ละอายบาป อ, อนโนตตรประความไม่กลัวบาปมานะอนถือตัวเป็นต้นเมื่อถึงการนิพพานแล้วเครื่องเศามองต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยฉะนั้นนิพพานจึงแปลว่าไม่มีเครื่องตศามอง คำที่เป็นชื่อของปฏิพันธ์นั้นมีมากมีทั้งห้าสิบอย่างท่านนิยมเรียกว่าปนิพานธ์ห้าสิบชื่อเช่นมัทนิมัตะ โ, นโนธรรมะที่ย่ำยีความเมายี่สิบหกประการก็เป็นเชื่อของนิพานถึงนิพนานแล้วความเมาหลุดหายปีตาสวิริโยธรรมะเป็นที่กําจัดความหิวความหิวก็คือปัญหาถึงนิพนานแล้วมันมีแล้วอารยะสมุขคัตโต ธรรมะเป็นเครื่องถอนขึ้นในดีซึ่งอะไรก็คือตัณหาวัตตุปฏิโทรธรรมะเป็นเครื่องเข้าไปตัดวัดตัดสามวิเลตวัดกรรมวัดวีบากรรวัด ต, ตัดทิงมมดไม่เอาแล้วตันหกโยธรรมะเป็นในสิ่งตัณหาก็คือโลภะอีกอะไรบิราโยธรรมะเป็นที่ปราศจากราคะก็คือตัณหาอีกอหละนิโรธโย ท, ทำเป็นที่ดับตัณหาทุทังพระนิพพาน เป็นธรรมชาติที่ยั่งยืนเป็นแน่นอ น, อ, นอาชรังพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่แก่นิพพัญจังพระนิพพานไม่มีกิเลเป็นเครื่องเนินช้าสัจจังพระนิพพานเป็นธรรมที่จริงแท้ไม่เปลี่นผันตารังพระนิพพานเป็นธรรมที่มพ้นจากฝั่งแห่งวัฏฏกคุปสทุทธสัสสะพระนิพพานเป็นธรรมที่ผู้มีปัญญาน้อยเห็นได้ยาก เฉีงหวัิพิพานเป็นธรรมะที่เกษมจากโยคะกิเลสเป็นเครื่องปกมัด ร, รัดธรรมสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในวัตสงสารอมตังพิพานเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเฉมังพิพานเป็นธรรมชาติที่เกษมปลอดภัยภทุกอย่างเป็นเมนืองคนนันสูงสุดวิทาชางังเฉมังอุตมังเป็นพระนิพพานเป็นธรรมะที่เกษมปลอดภัย อาพุตังพริพาน์เป็นธรรมที่มหัศจรรย์อวีติกังพริพาน์เป็นธรรมที่ไม่มีภยัยไม่มีสิเนศสเนศจางไรทั้งปวงตา낭พุริพานเป็นธรรมที่ป้องกันสรรพสัตว์ไม่ให้ค้องอยู่ในวัฏสงสารเรนังพริพาน์เป็นธรรมที่หลบภัยต่างๆทีปังพริพันธ์เป็นที่พึ่งเป็นเกาะไม่โถโค้ะคือห่องน้ําใหญ่ท่วนทับไดน้นี่อุทางพริพาน์เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ วะรังพรนิพพานเป็นธรรมะที่สัตว์บรุบปาดถนาประเสริฐเนื้อปูนังพริพพานเป็นธรรมะที่สุขุมละเอียดอาศังปัตตังพนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ถูกปัจจัยปรงแต่งโมกโขพระนิพพานเป็นธรรมะที่พ้นจากกิเลิที่ว่าพระเจ้าแสวงหาโมกะธรรมก็คือโมฆะตัวนี้แหละธรรมะที่พ้นจากทิ่ริตัณหาเศธโขพระนิพพานเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุด อนุตตรโภพนิพาน์เป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมหาธรรมอื่นเสมอเหมือนไม่ได้โล ก, กักสันตโภพนิพานต์เป็นที่สิ้นสุดแห่งโลกทั้งสามกมามโลกโลกะโลกอะโลกะโลกไม่มีวันวันเวียนใหม่แล้วยาโภพนิพานต์เป็นธรรมที่สะละตัญหาละตัญหาได้โดยเด็ดขาดปฏินิสกโภพนิพาน์เป็นธรรมะที่สละตัญหาโมตติพนิพาน์เป็นธรรมะที่พ้นจากตัญหา อนารยพริพาน์เป็นธรรมะที่ไม่มีอาลัยราคพยพริพันธ์เป็นในสิ้นตัณหาราคะโมโทสโยพริพานธ์เป็นในสิ้นโทสะโมหคยพริพานธ์เป็นในสิ้นโมหะอนุปัฏโทพริพันธ์เป็นธรรมะที่ไม่มีความเกิดขึ้นอภปตตังพริพานธ์เป็นธรรมะที่ไม่เป็นไปแห่งขันอีกแล้วอันนีิในตังพิพาน์เป็นธรรมะที่ไม่มีนิมิต อปปนีตังพรนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีที่ตั้งอาณาโยห์นังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ประมวลมาซึ่งของโลอปปฏิสันติพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปอปปติวัตติพรนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่กลับมาสู่โลกสามีอาคติพรนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีอาคติห้าอชาตังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่เกิดอภิยะทิพนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีความเจิด อาโศกังพนิพาน์เป็นธรรมะที่ไม่มีความเศร้าโศกอาปริเทวังพนิพานธ์เป็นธรรมะที่ไม่มีปริเทวนาการบุญเพอพิไรลำพันอนปอุปยาสังพนิพันธ์เป็นธรรมะที่ไม่มีความขับแขนใจอาสังกิริทังพนิพานธ์เป็นธรรมะที่ไม่มีความสัมองนี่คือพนิพันธ์ห้าสิทชื่อเราท่านทลายกลับแล้วว่าพนิพานธ์มีชื่อถึงห้าสิทชื่ออ่าถึงนิพานธ์เราย้ำอยู่กมมับมอมมัด เมาชาติม no, um, so ัโธเมาในชาติถึงนิพพานก็ไม่มีอารโรทยมัทโธเมาในความไม่มีโรคถึงนิพพานแล้วก็ไม่มีนฮยกพนามัทโธเมาในความเป็นนุ่งถึงนิพพานแล้วไม่มีชีวิตมัทโธเมาในชีวิตลาพมัทโธเมาในลาสักการมัโธเมาในสักการะครุการมัโธเมาในความคารพนเถือตัวเรฆามัทโธเมา เพราะมีคนอื่นเป็นบริวารแม่น้อมปริยาธรรมโทเมาเพราะมีบริวารมากโทขมบทโฮเมาปูขะมีเงนินมีทองมากกาว่นนามาเมาวันณวทโทเมาวันณะคือเมาในความสวยและเมาชื่อเสียงสุตธมโทเมาปริยัตกว่าตนได้ศึกษาเรียนมามากปฏิภาณมโทเมาในปฏิภาณว่าตัวมีชาวไวไวพิบีิรักตนุมนโทเมาว่าตนเกิดมานาน บินนาปาติกระรมะโทเมาวัดตนมีอาหารสมบูรณ์ถ้าเป็นพระก็เมาถืตอตนบินนบาตตลอดชีวิตหรือว่าอนาะมันยิกกรรมโทเมาในการได้รับอนุญาตอิริยาปฏิมโทเมาในอิริยาบทยิทธิมัทโทเมาในลิธิ์สิบ ป, ป, ประการญาสมมโทเมาในยศเกตประการศีรมโทเมาในศีลชานะมะโทเมาในชานศิลปมโทเมาในศิลปะ อารมณมั โ, มโทเมาในความสูงอาร โ, ะมะโรมณมัโทเมาในความสูงปรินาหน้มัโทเมาในความสงา่าสันธานมัโทเมาในความเจื่อมชงสันฐานปาริปุรมะมัโทเมาในความสมบูรณ์แห่งสริละนี่เรียกว่าพันธิพานธ์ถ้ถึงว่าความมาโลนีานหายวัดไปไม่มีแล้วที่จะมามีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ถึงนิพพานทีนี้เมื่อเราทราบว่าคำนิพพานแปลและหมายความอย่างไร ไวายคดของนิพพานมีถึงห้าสิบอย่างปัญหาต่อไปพิสูจนิพพานการที่จะพิสูจน์นิพพานเราหาหลักฐานซะก่อนว่ามีอยู่ในที่ไหนที่พระเจ้าเทศไม่ได้พระไตรปิฎกมีไหมเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกก็มีมากอัตตกทาดีกาท่านก็นแก้ไว้มากในเรื่อง น, นิพพานนะเอาในพระไตรปิฎกก่อนพระเจ้าเทปไปมากมายหลายประการ นิพพานังประมังมัทันติพุกทธาต่อพระพุทธเจ้าทุกองค์กล่าวว่านิพพานเป็นยอดนี่ในโอวัตปริโมกข์ก็มีนิพพานังประมังสุกขังพระนิพพานเป็นยอดสุขดังนี้ก็มีอืมนิพพานังปรมังสุนญญงพระนิพพานเป็นของสูญญ์ไปว่างฝ่าจากกิเลสตัณหาดังนี้ก็มีมีะในการสราหาขบอกไว้อริยะปรเยสนาสวายหาของไม่เป็นเสื่อ คือมีความเกิดแก่เก็บตายอนายะประยตนาสบายหาของที่ไม่ต้องเกิดต้องแก่ก็องเกิดต้งตายคือแสงหานิพพานอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าทุกเองขัดมัละไม่อือนที่จะต้องเดินทางไปสู่นิพพานแล้วไปทางไหนล่ะทีนี้หนทางเดินน่ะิพพานมีจริงหรือไม่จริงแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงไปทางไหนเอาหลักฐานก่อนหักฐานในพัฒนปิดดกในมหาสติปัฏฐานสุดมีในพระัตนบิดดกเลื่อที่ และเล่มที่สิบสองถ้าจำไม่ผิดหน้าร้อยสามสามร้อยี่สิบห้าเป็นต้องไปพระองค์ตัดไว้ว่าเอกายนุอ้ยังพิคโหยมักโพกตัดกันนังวิสุทธิยาโสกปริเทวนังสมติกรรมายะดันงนี้เป็นต้นแปลว่าดกขอนพิคสุด ท, ทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกคือเป็นทางเส้นเดียวเป็นไปรพร้อมเผื่อความบริสุทธิ์หมดเกล็ดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปรพร้อมผลดับคงโศกเศร้าปริเทวนากาน เป็นโดยพร้อมอดับคนทุกทางกายทุกทางใจเป็นโดยพร้อมเผื่อบรรลุมรักผลนิพพานยัติทางจักตารสติปัฏฐานาทางสายนี้ก็คือสติปัฏฐานสินี่คือทางไปนิพพานเมื่อหนทางมีอยู่นิพพานก็ต้องมีที่ทางเดินเช่นอย่างทางไปสนามหลวงเออเมื่อถึงสะพานไปกิณก้าแล้วเวลาลงมาจากโนนตังโทโนนมันก็จะถึงสนามหลวงจะมาสนามหลวงได้เออมื่อหนทางมีมันก็ต้องมีที่ทาไมมี นักปราชญ์ท่านกกล่าวสแสดงหนทางไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าเทศไปเลยในพระไตรปิฎกร่า ง, งหนหลายแห่งว่านิพพานนนั้มีเยอะแล้วก็ยังมีผู้สงสัยสมัยนี้พระพุทธเจ้าคนนิพพานแล้วนิพพานจะยังมีอยู่ไหมลวกพระองคงตรัสไปเลยสอนสุพัทธพิคโคดูในพระไตรปิฎกอืมว่าอิมีจะสุพัทธพิคโคสัมมาวิหารยงอาศุโยโรโกอรหันเตหิอัตาตุคอนสุพัทะ ถ้าหากว่ายังมีผู้ปฏิบัติตามอัดถั้งที่กมักทั้งต่อจุดรตรับไตรโลกก็มีพึงว่างปราจากพระอรหันต์แสดงว่าถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมักแตกคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรัพไตโลกก็ไม่พึงว่างปราจากพระอรหันต์ก็ถึงนิพพานได้อยู่ตรัพนั้นนี่ความหมายก็ชัดเลยใช่ไหมท่านใจเป็นดกนี่ก็ย่งน่าเกลียพอแล้วนอะเพราะว่าตามหลักฐานเนอะเห็นด้ว่าเราจะ เอาหรือไม่เอาเท่านั้นเอาแลว่าตามอัตถายุคต่างท่านก็าพละณาไว้เหมือนกันว่าพระนิพพานเนี่ยมันถึงยุคไหนยุคไหนเอ่มันมีจริงหรือเปล่าเอาเนอื้อรู้ท่างกับพละนาไว้เหมือนกันนะพละนาเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคไหมเพื่อที่จะเข้าสู่พระนิพพานในสมัยที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนิพพานยังมีอยู่หรือเปล่าอ่ามีอยู่หรือเปล่าท่านก็แสดงไว้เหมือนกัน อนิพพานยังมีเยอะอืมไม่ใช่ไม่มนีถึงเราพุทธเจ้านิพพานแล้วทางไปนิพพานก็ยังมีเยอะตาอาจาย์ท่านก็แสดงไว้ยึมายุคที่หนึงเป็นยุคของพระอรหันต์ชั้นไหนยุคที่สองยุคที่สามเป็นยุคของพระอรหันต์ชั้นไหนน่ท่านก็แสดงไว้หมดอย่างเนี้ยอย่างนี้เราก็เชื่อถือได้แล้วใช่ไหมว่าอนิพพานเป็นของเยอะเยอะแน่นะ แม้ว่าทังกาวว่าถนนทางมีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีถ้ามีคนเดินทางก็สามารถจะถึงได้แต่มีคนไม่เดินก็ถึงไม่ได้อะงั้นคนจะถึงก็ต้องเดินทางเม่อไปเดินทางเขาไม่ถึงทีนี้เราจะเดินไปทางไหนล่ะทางไปนิพพานไปทางไหนกันแน่ทางไปนิพพานก็คือสติปัฏฐานสีจะเดิญปฏิปัฏฐานสีนั่นแหละที่ว่าเดินทางไปนิพพานทีนี้ว่าถึงอัตตกถาทางขอกาว้ยก ว่าเยเนวะยันตินิพพนังพุท ธ, ธาเตสนกัสสะวะกาเอกายเนนัมัคคีณะสติปัฏฐานสัญนิยนาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ฮะยันติพุท ธ, ธาจะอันวัดพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยนีหมายถึงพระพุทธเจ้าทุูตพระองค์เลยยันติย่อมไปนิพพังสู่พันิพานเอกายเนนัมัคคีณะด้วยทางสายเอกเึ้นใด สติปัฏฐานสัน ญ, ญาทางสายเอกเส้นนั้นอืมนักปรากรากบัณบียทั้งหลาย ห, หรือบรรทุกถึงแล้วก็ได้แก่สติปัฏฐานสี่ถ้ น, นีประชัดกินแจ่มแจ้งอยู่แล้วถ้าจะว่าถึงตัวอบทกฎไปจริงๆนะอื ม, อมนี่ว่าถึงหลักฐานซะก่อนเมื่อเรารู้หลักฐานอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หายไข่ใจว่าหลักฐานมีเยอะ เนผู้ที่จะถึงที่จะไปนั้นต้องเจริญต้องปฏิบัติทีนี้เราย้อกลับมาดูที่เมื่อกี้นิวาถึงยีเนวะยันตินิพพานังพุท ธ, ธาติสันจะสาวกาพุทธาจะอันบพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยเตสันจะสาวกาจะนอสาวกของพระเจ้าเหล่านั้นด้วยยันติย่อมไปนิพพานังสุภนิพานเอปายันเนนมัคเนะด้วยทางสายเอกเส้นใบสติปัฏฐานาสัญินานะทางสายเอกเส้นนั้นนักปรากรจบัณฑิต รู้พอถึงก็แล้วได้แก่สติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสี่เขยังมีอยู่ทุกวันนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งของสติคือการตําหนดรู้ขึ้กายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสระที่ตั้งของสติคือการกำหนดรู้ซึ่งเวทนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการกำหนดรู้ขึ้นจิตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการกำหนดรู้ขึ้นธรรมะนั่ก็มีพร้อมอยู่หมดนี่ถึงหลักฐาน อัตตกถาดีกาก็มีพร้อมเอาลองนึกตปอีกครั้งหนึ่งในสุมังคารวินาสีอัตกอตกถ า, าทีกนกายปาติกวัฏภาคสาหน้าห11นึ่งรบหนึ่งร้บรทัพที่หนึ่งที่สองท่านแก้ไว้ว่าปฏิสัมพิพทักปฏิหิวัฏสังอัฏฐานสิพันปีที่หนึ่งเป็นยุคของพระอรหันต์กู้แต่ฉันในปฏิสัมพิทธธัหมายเพราะว่าพระพุทธเจ้านิพานในหนึ่งวันจนกระทั่งถึงหนึ่งพปีในระหว่างนี้พระอรหันยังมีอยู่ เรียกว่าเป็นพระหันที่แตกแขนในปฏิสัมพิทาด้วยอัตตะปฏิสัมพิทาแตกแขนในอัตธรรมะปฏิสัมพิทาแตกแขนในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาแต่กแขนในนิรุตในภาษาปฏิภาณอปิสัมภะแตกแขนในเทวไวไวพิปฏิภาณก็ยังมีอยู่ น, ยนะโยมนะลองนึกดูสินะเอามาถึงพันปีที่สองเนี่ยชละกินเยหิวัฏสาหสังพันปีที่สองเป็นยุคของพระหันผู้ได้อภิญญาโ พันปีที่สามเปรียบเียบวัฒสารรมเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ใดวิขาดสามศตวรรษปัจจุบวัฒนธรรมพันปีที่สี่เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้ใดวิปัสสนาร่วมนี้เรายังอยู่ในพันปีที่สองนะยังไม่ถึงพันปีที่สามเลยยังยุคพระรอรหันต์ผู้ใดผู้ใดอภิญญาหกยังมีอยู่แต่พันปีที่สามเราก็จะไม่ได้เข้าพันปีที่สามติเรียนจะเข้าแล้ว พันปีที่สี่ยกผู้หันผู้กเริศให้ปรานารวนปาติโมโกเคหิวัตรสังอัฏฐาสีิพันปีที่ห้าเป็นยุคของขรรณาคามีพระปจิตคามีและพระโสดามันนี่ก็ได้หลักฐานเลยนายมนะเป็นอนุสาวร์วันนี้หาหลักฐานก่อนอ่าะโยกกันต่อไปเพื่อพิสูจน์มีเป็นไขปัญหากันที่หนึ่งพิสูจน์เรื่องพันิพานในกันนี้ยังไม่ลงมือปฏิบัติหาหลักฐานมาให้ดูซยก่อนว่านิพานมาันแปลและหมายความว่าอย่างไรอ่ ต่อไปถึงจะได้เข้าภาคปฏิบัติอันนี้เป็นภาคทฤษฎีสะกขอนจบไปแล้วนะอ้างหลักฐานมาหมดแปลให้ฟังแล้วมีห้าสิบชื่อแปลแลายหมายเขาว่าอย่างไรมีหลักฐานในปฏัยปิดกอย่างไรอย่างไรบ้างอัตคาถาดีกาว่าอย่างไรบ้างเอารักฐานมาให้ฟังสะก่อนดูสัก่อนเพราะเราพี่ศาสนาต้องเรียนรู้ในหลักสองประการพยัญชนะคือตัวหนังสือนี่ว่าหลักฐานในตัวหนังสือแล้วอัถคามหมายจะได้เข้าใจต่อไปเอาละเฉพาะกันนี้จบแล้วนะโยมนะ วันนี้เทไขปัญหาเรื่องพิสูตรพระนิพานในเฉพาะคําว่าพนิพานแปลและหมายความอย่างไรตอนนิพานนิพพุสเกลเทศไว้ในพัตติบีตุเลรมไหนอัตต ร, ราฐานดีกาเทศไว้ในที่ไหนบ้างเมื่อได้หลักฐานครบบริบูรณ์แล้วต่อไปเป็นภาคปฏิบัตินะจะถึงนิพานถึงตรงไหนถึงแล้วมันเป็นยังไงก็คอยว่ากันต่อไปอีกเท่าที่สามารถจะบรรยายได้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญถายปัดนี้การไขปัญหาเรื่องพิสูจนิพานกันที่หนึ่ง แล้วจึงข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับการไขปัญหาในหอว่ะพิสูตนพระนิพพานกันที่สองในหมุนเวียนปริโนนจตพบท่านอีกวาระหนึง่งพระนิพพานนั้นไม่ใช่พิสูจน์ได้ด้วยกันศึกษา เ, าเรียนธรรมดาแต่ว่าต้องเรียนด้วยภาคปฏิบัติ ศาสนาเรามีอยู่สามชั้นเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทท่านเรียกว่าสัพทธรรมสาติวิโทสัพทมุกสัพทมีสามหนึ่งปริยัติสัทธรรมสองปฏิปฏิสัทธรรมสามอัติธรรมัทธรรมหรือปฏิเวทสัทธรรมนี่เราเรียนศาสนาเราเรียนรู้สามประการคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวปริยัตเราว่าศึกษาเราเรียนเหตุรู้เมื่อกี้นี่เราศึกษามาแล้ว กันต้นๆถึงเรื่องนิพพานไปและหมายความว่าอย่างไรคํำวัยพศคำเทนชื่อปณิพานธ์มีห้าสิบชื่อก็เอามาบรรยายให้ฟังนั่นเป็นปริยัติภาคทฤษฎีแล้วพระพุทธโยเทศไปในที่ไหนบ้างทอะไปไปโลกเข้มไหนอัตตะถาฎีกาเล่มไหนหน้าไหนก็ยกมาให้ฟังเหล่านี้คือภาคทฤษฎีเป็นปริยัติศาสนาเรียนรู้พาคปริยัติธรรมตามหลักฐานในปฏิปุจกอัตตะถาฎีก า, ธ า, ธ า, ธาก่อน พอเราถืออันนี้แทนพระพุทธเจ้าพระรหันท่าในสังขยาไว้หมดแนงเราก็ถือตามนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจุหัวจะมีพระชนมายุครบหกสิบรอบหรือหกสิบพันษาครบห้ารอบสิบสองห้าเป็นหกสิบห้ารอบนะเป็นหกสิบพันษาในปีสองพันห้าร้อยสามสิบคณะสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสกุลเป็นประมุขประธาน ก็เยมีพระวัญชาตแต่งตั้งให้พระธีรานราุเรัตทั้งหลาย้ังขายนาพระธรรมใ น, นทัมทุกวันที่บนตำหนักวันนี้อัตมาก็ต้องไปไปทุกวันวันพระวันอาทิตย์ในเรื่้งนั้นจะให้ทันวันเฉลิมประชนมพรรษาของประวัติสมจะเจออยู่หัวเอาพอสสองพันหอยสามสิบธรรมละกันเป็นที่ระไรยบนตำหนักวันพาดสี่สิบาดโตนี่ไคือหลักฐาน เป็นคําสั่งสอนของอริยเจ้าบรรจุไว้ด้วยอย่างนี้เราอาศัยหลักฐานนี้เป็นกฎเกณฑ์นันสำคัญที่สุดถ้าหลักฐานนี้ยังทรงหยุดตรากายศาสนาก็ยังค่องสห ย, ยุดตรากนันดังนั้นเมื่อว่าถึงหลักฐานว่ามาหมดแนวว่าพระนิพพานมีแน่ตามหลักฐานในพัจจัยปิฎกและอรหัตติกาติ น, นี้ต่อไปว่าถึงผู้ที่จะเข้าถึงนิพพานจะปฏิบัติอย่างไรต้องเจริญสติปัฏฐานส เมื่อเจริญปฏิปทานเสร็แล้วจริงกับผิสูตรได้ว่านี้ผ่านมีหรือไม่การพิสูจน์ต้องสิสูจนไปหลักสามประการปริยัตปฏิบัติปฏิเวทในย่านปริยัตนั้นมีมาแล้วพิสูจน์แล้วที่นเหลือแต่ด้านปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิประวัเฉพาะปฏิปรวัถึงเมื่อเราเรียนรู้คําสอนพระเจ้าแล้วเราจะสรุปไปอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีพระชนมยุได้แปดสิบปี สเสด็จออกทรงพรโนดเมื่อพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าปีแรงหามุขขัดธรรมคือ น, นิพพานเนี่ยหกปีจึงได้พบจึงได้ตับสรุปเป็น พ, พระพุทธเจ้าเมื่อพบม่ตัดสรุปเป็นวิจาแล้วก็เที่ยวเพียรสอนประชาชนอยู่คดทะเลาะอยู่ถึงสี่สิบห้าปีจึงปรนิพันเทศยเป็นหนังสือสี่สิบห้าเล่มเราเรียกว่าพระไตรปิฎกไตรปวสามปิดกเะโมด แบ่งเป็นสาหมวดคือวินัยปิฎกหมวดพระวินยัยสุรตันตปิฎกหมวดพระสุดอภิธรรมปิฎกหมวดพระอภิธรรมวินัยปิฎกมีหนังสือถึงแปดเล่มตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดหนาเทษสามสี่นิ้วอยู่ห้าคำพีอารามะจุปะอาทิกกรรมปาจิติมหาวัจจุลวัตรปริวารวัตรมีทำสั่งสอนอยู่สองหมื่นหนึ่งพันพัฒมกันย่อยสเสือข้อเดียวคือศีล ศีลห้าศีแปดศีลสองเจ็ดนี้เป็นภวินัยปิดกศีลมีหน้าที่ปราบิเลสยากที่จะร่วงอามาทางกายกับทางวัจจา้าคนมีศีลและกิเลสหยากไม่มาเป็นดิจคาดทรงพ้นสูตรมีหนังสือยี่สิบห้าเล่มตั้งแต่เล่มที่เก้าถึงเล่มที่สามสิบสามมีอยู่ห้าคำทีทีมัดสังฆฆุทีกานิกายมัดเทวิกายสัยมเปินการ อังคตกรณีกายคุตคตะกรณิกายมีคําสั่งสอนอยู่สองหมื่นหนึ่งพันพัฒนาขันย่อให้สั้นคือสมาธิได้แก่สมถะกรรมฐานมีหน้าที่ปราบกิเลสกลางคือ น, นิอ่อนทั้งหะการมฉันทะพอยเจนเูโรคเสียงกลิ่นรบผถดทภพะพยาบาทใจโกรธใจคนุนดีในวันทะเข้าใจอ่อนใจห่วงงองห้องนอนอุทธัจจะอุกุจจะฟงสร้างลำคานวิธีษาสงสัยหลังเล่ยใจต้องปราบด้วยสมาธิคือพระส พระอาิธรรมมีหนังสือสิบสองเล่มตั้งไปเล่มที่สามสิบสี่ถึงสี่สิบห้ามีบทเกตคัมภีร์สังวิทาปุกยาปะสังคณียิพังทาโทธาปุขาละบัญญัติสถาวัตถุยมกปัฏฐานมีทาสั่งสอนอยู่ถึงสี่หมื่นสองพันปฐมกขันย่อให้สั้นเหลือขอเดียวคือปัญญาปัญญาในที่นี้หมายว่าปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสนาปราบกิเลสละเอียดคืออนุัยดังที่กล่าวมาแล้วในการข้อโน้ต นี่เราเรียนโดยย่อๆแล้วจะได้หลักอย่างนี้ขังสอนงเจ้ามีถึงแปดหมืนสี่พันพัรมะขันย่อให้สั้นเมื่อแสดงอธรรมจักรกรบวนสูตรที่ป่าอิสีปัตนะมรุกษัยวันแขวงเมืองพลังศรีได้แต่มักแปดนั้นแหละจบพัตยปิฎกเลยมก 8, ลักแปดย่อลงเหลือสามสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ ส, สัมมาสัมโพธิอรชอบอันนี้เป็นปัญญาได้แก่พวิธรรมพิดก สัมมาวจารวจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาโชว์เป็นอยู่ทอบอันนี้ได้เกเสรีนี่คือพ่อวินัยปิฎกสัมมากรรมโตสัมมาเจสสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมธิสัมมาเยโมเขียนชอบสัมมาสติเรือชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบนี้ย่อลงมาคือสมาธิได้เกพระสุขคําสอนที่เจ้ายอดขั้งเลขมีแปดคือมักแปด ย่อครั้งที่สองเมื่อทรงแสดงโอวัตพิโมกเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาสัพพปาปัตสาการนังไม่ทำคงโชตทุกอย่างนี้คือศีลศีลปราบกิเลสหยาบทางที่ศข่าวมาแล้วโกศลสู ส, สัมปทายังโกศลไม่ถึงพร้อมนี้ไดเก่สมาธิปราบกิเลสกล า, า, ยายงคือหนีหัวห้าใสจิตตะประโยชน์ทัพนังยังปิตใจของตัเนื้องใสนี้คือพระอวิธรรมได้แก่ปัญญาขั้นปฏิบัตินี่หลยคาสอนยอดอย่างนี้ ย่อเมื่อพระองค์เจ้านิพพานอยู่ใต้ตํานังทั้งคู่ตราสว่าอันถถามีเพทุอยอามัญตยามีโวภยัตมาสั้งคาราประมาเดนสัมปาทิตะเรียกถูกตาไหลเราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารคือรูปกับนามมีพ้นปจะดับเป็นธรรมดาอัปปมาณินสัมปาทิตะเธอตาไหลายจงยังความไม่ประมาณให้ถึงพร้อมแล้วคนนิพพานเลยเข้ากัสมมติฐานภูติยะที่ถึงนุนสัญญาวีตนิจญโรโยน ท้งอยูนหน่อยหนึ่งย้อนกลับลงมาถึงตะผ ม, รมปรชันจากปะผมปรชันทุชันกตจจิชานถึงจัตตุจัตานนิพพานเลยไม่ตัดอีกเลยนี่คือสรุปคำสอนแปดหมืนสี่พันลงมาสู่ข้อเดียวคือสติได้แก่ความไม่ประมาทมันมีสติคือคนเจริญวิปัสสนานอกนั้นอย่างสติยังไม่สมบูรณ์ผู้จเจริญวิปัสสนากําหนดทุกลมหายแก่ก็ออกนั่นแหละชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแท้ในมรณสติสูตรท่านแสดงไว้ว่า มีพิกษุเข้าไปหาปุตติเจ้ากราบทูลว่าข้าพงศ์นึกถึงคนตายวันหนึ่งหนหนึง่งประมาทไหมระพุตติเจ้าเธอประมาทพวกที่สองกราบทูลว่าวันหนึง่งพระองค์นึกถึงคนตายสองหัวนึงพระองค์ก็ประมาทอีกพวกหนึง่งนึกถึงคนตายทุกชั่วโมงพระองค์ก็วพวกเธอประมาทอีกพวกหนึง่งหายใจเข้าไปสี่ห้าหันึกถึงคนตายหัหนึง่งพระองค์ก็วพวกเธอประมาท อีพวกหนึ่งเที่ยวอาหารจัตตโรปันจะอารปีสคําำห้าคำนึกถึงความตายคนหนึ่งพราะเองก็พบเจอประมาทส่วนพวกที่ไม่ประมาทได้แก่ที่หายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนึกถึงความตายเพราะถ้าเขาเไม่ออกตายก็ได้แก่ผู้เชิญนี่พัฒนาแพรองเพราะนี้มันตายไปสิบเกดขณะดจิตโลกตายไปนหนึ่งขณะเออแต่เราไม่รู้ว่าเราตายนี่แหละเรียก ว, ว่าคณิกะมารณะเพราะเราแต่ว่าอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท พูดเชี่ยอาหารเชื่ยวน้อหายิตติสัมมาฌานกาัลิหนติเชื่ออาหารข้างหนึ่งก็กําหนดเชื่ยวน้อเชื่ยวน้อเพราะข้าก้างว่าติดคอตายได้กระดูกติดคอตายได้ทวเรียนติดคอตายได้พระเคยตายมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละเชื่อว่าเป็นชื่อนควประมายในพระศาสนาถ้าจะหาหลักฐานให้ละเอียดก็ยังได้ในอัตถะถาเอออันนี้พระสูตรในอัตถกถาธรรมบทภาคสองหน้าหกสิบรรทัดที่หนึน ท่านกล่าวไว้ว่าสักการังปิหิเตปิตรกังพุทธวจรังอาอริตวากติยะมนังอัปปานังเอวะโอตระติจิงอยู่พวกทวจรังอนุคัมสั่งสอนของพระเจ้าเตปิติกังจบทั้งสามปิดกสักการังปีแม้ทั้งสิ้นอาอริตวากติยามนังที่พนักเทศพัตมาถึกนามเทศสอนญาติสอนโยมอยู่นั้นครับปปามนังเอวะโอตระติลวมลงสู่จุดเดียวคือความไม่ประมาท สติยาอาวาอิปปวะโซอัปมาโดนามะการไม่หยุดปราศจากสติที่บคอมเป็นประมาทนี้ก็ชื่อเห็นแล้วว่าความไม่ประมาทนี้ละเอียดมากยินความลึกซึ้งมากจึิงคือว่าได้รวบรวมคำสอนหัมดโชว์ความไม่ประมาทกลดเดียวเท่านั้นในแก่ผู้เจริญปัญนาดังที่กล่าวมาแล้วอาลระนนี้ว่าถึงผู้ที่จะพิสูจน์ว่าพระนิพพานมีจริงหรือไม่เอาหลักฐานมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทีนี้ จะพิสูจน์จริงๆต้องพิสูจน์ด้ว อ, อะไรด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติศาสนาปฏิภาวะเฉพาะปฏิภาวะถึงการยังกายว่าใจาใจให้เข้าถึงศีนสมาธิปัญญาคือจบพจน์ไตรปิฎกเรียกว่าปฏิบัติให้การปฏิบัตินั้นก็จเจริญตามสติปัฏฐานสีทุกขเบียดนิ้วหนึ่งต้องเดินรงกรมให้สมาธิดีซะก่อนพระองค์แสดงอานิสงส์ไว้ในปัญจนานบาตถึงห้าประการ อัปาผัก โ, โภอัปาตังโกโรคภัยใข้เก็บไม่เปียกเปื้อนปรธานนัโมเป็นเหตุให้อดทอนอ่าอัะธานนัโมเป็นเหตุให้อดทอนเดินทางไกลประธานนัโมเป็นเหตุให้ขยันสิตตังปีตังขาจิตตังอาหารที่บรโภกแล้วย่อยง่ายท้องไม่ท้องเราไม่บวมไม่เน่าไม่อาหารไม่บูมไม่เน่าไม่เสียยีรติติโกสมาธิสมาธิที่าาาจากการน um. เนิดยคุณดีกว่าทางอืเพราะฉะนั้นต้องเดินโยกรมซะก่อนเมื่อเดินยกรมประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงนั่ง กำหนดขันห้าขันห้าอยู่ตรงไหนหมายเอามดด้านล่างตั้งแต่ผมถึงเล็บนี้คือรูปประคันเราสบายเป็นเวทนาขันไม่สบายเวทนาขันเฉยเวทนาขันจําได้สัญญาขันแต่เรเห็นว่าดีไม่ดีสังขารผู้ที่รู้วิญญาณครบข้าขันแล้วพราว่าเพราะว่ารูปกับนะ้านี่เลยคือทุกขสัจจกําหนดอันนี้ขันห้าเกิดที่ไหนอยู่ที่นั้นแลหละอารมณ์ปัสจนาทั้งนั้น ตั้งตาทั้งรู้จมูกทั้งลิ้นทักายนั้นอิริยาบถ ย, ย่อยอิริยาบถอย่ายืนเดินนั่งนอนเอาละเมื่อเราเมือกําหนดแล้วทีนี้กำหนดขันธ์ห้าแล้วภาวนาพองนอนอต้องให้ทันปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าเฉยๆเพราะองค์วางหลักไปเลยใน้พรเตกัลตสุตรอตีตั้งนานวกคมยะยาวรูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมเพราะมันเสร็จไปแล้วนับปฏิกังเคอนากตังยาวรูปนามเป็นอนาคตมาเป็นอารมณ์เพราะยังไม่เกิด ปัจจุปนังเจตปนังต้องเอาปัจจุบนธรรมจรึงจะรู้แก่งแทงตลอดมรรคผลนิพพานในที่นั้นนั้นได้นิรักในการปฏิบัติต้องยึดหลักสามประการหนึ่งอาตาปีมีความเพียรตั้งใจทำสองสติมามีส ต, คติคอยจ้องคอยจับรู้จับหนาสตินึกได้คนทำาคนพูดคนคิดสามสัมปชโนมีสัมปะชญะคือปัญญาเรือข้กา น, านี้สาคัญที่สุดเวลาปฏิบัติ เมื่อใบองคศาเงีนี้มันก็จะเกิดอะทีเนี้ยอ้าวสมมับว่าท่านกำหนดพองเนาะยบเนาพองเนาะเนอะเมื่อทันเข้าทคำเข้าจะรู้ทีเดียวพองกับยุบนี่อันเดียวกนกกันกกนั้นคนนันใจที่รู้พองกับใจที่ยบใจเดียวแล้วคนใจคนใจนี่แหละปัญญาเกิดแล้วเรียกว่านามมะรู ป, ปะปริชิตญาณแยกเูแยกนามได้แล้วอ้าวยานทศที่สองที่เนี่ย จะรู้หรบางทีพองรุภหายเยบนี่มันไปไหนนี่เรียกว่าปัจจิยะปริคายาแแ้วไปถึงยานที่สามจะเกิดมิจเกิดแสงสว่างนั่ไนงไปเห็นพระพุทธเจ้าก็มีนั่งไปเห็นพระธาสุจีเช่วจุลมณีก็มีตาลืมตาไม่มีนั่งไปเห็นพระพุทธทรุปก็มีนั่งไปเห็นป่าเห็นปูเขาเห็นแม่น้าลำธานก็มีเห็นตะดาก็มีเห็นเลขรตรีก็มี บางทีมีกลิ่นเม็นมาก็มีบางทีตัวยกไปยกบางทีคันยุบยุบตามตรงที่เกิดแสงสวางก็มียานนี่แปลกนี่รนะยานที่สามเลยเนี่ยเขตดธรรมถากวิปัปนาต่อกันยานที่สี่ทีนะ่ะโลกน้าเกินดับนั่งขงหมดนั่งเนอะนั่งหนอะหรือไปยินเนอะหรือฟังเน้อม น, นอเ น, นอะมันจะขาดหมดดับให้เราเห็นชัดแจ๋วเลยไม่มีสงสัยแม้แต่ น, นิดเดียวอืมถึงตรงนี้เรียกวายานที่สี่เข้าเขตปัญญาวิปัปนาแล้ว เราจะต้องพิสูจน์นะพิสูจนะ์โดยปัญญานะไม่ใช่พิสูจน์โดยหลัปริยัติทีนี้ต่อไปอยันที่ห้าเมื่อถึงยันที่สี่แคเกิดยันที่ห้าจะต้องมีสึกหรือสึ ก, กว่าตัวเบานะไปถึงยันที่หกจะรู้สึกกลัวถึงยันที่เจิดจะรู้สึกมีทุกข์มีโทษมากถึงยันที่แปดจิตใจเบื่อหน่ายถึงยันที่เ ก, ก้าโกรธ็วายคันถึงยันที่สิบใจเข้มแข็งถึงยันที่สิบเอ็ดสบายพเพลิ ถึงยานที่สิบสองสามารถจะรู้ได้ชัดเจนก็ด แ, แง้งตรงนี้แหละสัจจานุวิขยานอริยรสัจสี่จะชัดขึ้นมากขินท้องที่พองขึ้นพองขึ้นนี้คือทุกขะอาการที่ท้องนูนขึ้นในทุกขอริยสัจจะคอพองนี่เป็นทุกขอริยสัจจะปัญหาคกอรที่พองยุบอยูนี้เป็นสมุทัยสติสงดพองน้ อ, น, อนี่มัคะอริยสัจ ขณะที่มันพองน้อยกิเลสตายไปแจนธานนี้แหละเลิกข้อนิพพานแล้วเรียกว่าตัดทางคณิโรคืู้ตัดทางคณิพานนิพพานน้อยๆแล้วถึงตรงนี้เข่าเขตนิพพานนิดหนึ่งนะอันเรียกว่าตัดทางคณิพานนิพพานมีห้ตัดทางคณิพานวิคขังวณิพานสมุทเทนิพานนิพนิพานปฏิปตนิพานนะเอานี่ยเลิกข้าวแล้วตัดทางคณิโรคแล้วคือมันดับไปชั่วขณนิพพานแต่ว่าดับกิเลสนะไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองนะจะไปเข้าใจพิษ ถ้ า, าสำรวจผสรเป็นบ้านเป็นเมืองบนโลกสัมผัสนําขอทองธรรมชาติานาาในช่างผุชฉลาดต้องด้วยกลมกลมต้งด้วยใจพิษเน้น น, น้าแน่ประพัน์แผลเป็นดัดฟ้าฟ้ารัวเปิดเปิดช่องน้ํำแก่ไพโดนกระทาเป็นราโทโมลาสลับสลากไรเราก็ภาพพลิกอินเลนแก้มหกกนกนาบขาดระดารัดมังกรกัดพอแห้่รุกนอเป็นสดใส ท่านสำเร็จเป็นสัมภาอพองแล้วเมื่อใดขอท่านทานาธิปไตยจงทรงเกลื่องตอนมงคนพิจัยสัตว์สําหรับกษัตริย์ทั้งเจ้าสมาบัติมาเป็นซอยสงวาอยู่สันเสเอากระทันตีมาเป็นกระทันเพชรอันคมกล้าสมวนตัอย่างเยื้องลองสู่ท้ายพปจารส่งระหองอันล้วนแล้วไปดื้อทนทรงคือสเสวยไปฉัดว่ายโยเอกมาผ่า์พัพจุจิชิวสัมภารพองของกัานคอยรอง ล, ลิวไปตามลมแม่นจะเกิด พ, พิมการผ่านประคือพัส โลโกโกโซเลโม้แน่นจระตุ้นเซนตโซติตั้งเป็นโลเคืนโลเคินคอมกระทอมกระแท่สัมผัสทองห้องท่านก่อนจะในวอให้ควากวันไหวขอจึงได้ประสันนาทิปไตย์รองระเลยต้องไปสู่มืองแก้วเก่าแล้วคือมาตามารมาฮานุภาานี่สํานวนพระสุตต้องว่าหยุดย้อยเป็นบ้านเป็นเมืองโอ้ยสวยสดงดงามกดให้คนรอดเพลินอยากไปนี่สํานวนพระสูต พระนิพพานเป็นเมืองแก้วนะแต่ที่จริงนะ่าอภิธรรมไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงกิเลสมันขาดราคัพคโยโงสักคโยโมคัโยตินิพนังอิติมุกกติเตกิเลสมันขาด ต, ตรงไหนตรงนั้นคือนิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองหมายเอาตรงกิเลสขาดนิดเดียวแล็กเดียวทันหนะมันจะขาด ต, ตรงไหนคอยฟังต่อไป เมื่อถึงยานที่11สบายถึงยานที่สองสามารถจะจับได้นี่สัจจานุโหมีกิจยากี่ว่าเห็นอริยสัจสีชัดเกดเปอร์์แล้วมันขาดลงไปตอนไหนเล่าจับได้ชัดนี่ละทันปัจจุบันตัจตุปันนังจะโยธรรมะตัทธัตถาวิปัสสติผู้ดใดทันปัจจุบันจะรู้แก้งตลอดมรรคในพันในที่นั่นในที่ไห น, นอัตตาแก่เลยอรญิยนั่งอยู ป, ปากก็จใจได้นิพพานตรงนั้น ลุกขโมนินั่งอยู่คนต้ไม้ก็อยใญตรงนั้นสุญญาคารินั่งอยู่ที่ว่างเปลา่าก็จะได้ตรงนั้นนี่บาลีพัธทธิกรตะโสที่นี่ถึงยานที่สิบานี่ลเลยเข้าเขตนิพพานแล้วน่งวงนิพพานไปนรมหนึ่งคณาจิตตอนนั้นจิตดับหนึ่งคณาจิตถึงตรงนี้นี่เข้าเขตนิพพานแล้วขันหาดับแล้วถึงยานที่สิบสี่ที่นี่มัคคยานนี้ดับห น, นึ่งคณาจิตนี่ ในชวนาจิตเป็นบริกรรมอุปจารอนโลมโคตระโพนิเจ็ดชวนาจิตนะชวนาจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองอุปจารณที่สามโลมที่สีโคตรระโพนที่ห้ามักนี่ชวนาจิตดวงที่ห้าเรียกว่ามักขยานมักมาจากมักพระธาตุไปว่าฆ้าค่าไปว่าไปกิเล่มันตายตรงนี้เรียกว่ามักขยานมีปัญญาฆ่ากิเลตตายกิเลตตายไปห้าตัวถึงตรงเนี้ยโลภสี่โมหันหาดเด็ดไปเลย ไม่มีวันกลับอีกแล้วเรียกว่าสมุดเขสตปหารนี่แหละสมุดเขสอนิพานถึงตรงนี้ขาดแล้วถึงตรงนี้เท่าี้อีดวงที่ห้าอีสองขณนจิตหกเจ็ดนั่นเรียกว่าผลระยะสองขณะจิตบ้างสามขณนจิตบ้างแล้วแต่มันทะบคุะบบคุณติดอมุขคันถึงนิพานแล้วอพอจากนั้นเป็นระวังขจิตแล้วประานามนิจิตระวังขจิตแล้ปะปัจเวกขันจิตย้อนกลับไปพิจารณาจิริทีละทีเลยนะ ถึงนิพพานเชวญณวนาดวงที่ดวงที่สี่นั่นดวงนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหนึ่งขณะจิตถึงนิพพานจริงๆหนึ่งขณะจิตชาวณรจิตดวงที่ห้าถือมีนิพพานอารณ์อีกชาวรจิตดวงที่หกและที่เจ็ดสองขณะบ้างสามขณะแล้วแต่มันขบคุณติดกับคลนี้แหละพูดที่จะพิสูจน์นิพพานต้องถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้และหลักฐาน เมื่อถึงแล้วบอกใครไม่ได้ฉันธาตุตปอนัคาโตมโนภาสุปุชยาจ้บอกความนิพพานเป็นอย่างไรอุตมาเหมือนเมกับสว่างเอื่อเม็ดเป็นยังไรสว่างเป็นยังไงตัวนิพพานพวกนั้นรู้แล้วบอกใครไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรงฮะบอกก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วเพราะฉะนั้นดูเองอยากรู้มันเป็นยังไงปฏิบัติถึงเขารู้เองเมื่อไว้ถึงก็รู้ไม่ได้บอกก็ไม่รู้เหมือนคนตามบอดมาแต่เกิดมันเป็นอย่างนั้นเปนี้คนตามบอดเขาไปเกี่ยวข้าวลงแผกกัน นกกระยางมากินอาหารขุงนาเยอะมาถึงตอนเย็นกินข้าวคุยกันแม่วันนี้นกกระยางเยอะมันลงกินปลาทุ่งนาคนตาบอดนั่งฟังนกกระยางมันเป็นยังไงอ้าวตัวเขาขาวเขาอะไรเหมือนฝ้ายฝ้ายเมื่อไรเหมือนนุ่นนุ่นอะไรเหมือนสัมฤสัมฤทธิ์อะไรเหมือนผ้าขาวผ้าขาวะเหมือนกระดาษกระดาษไเหมือนเท้าฟ้าเท้าฟ้าอะไรไล่ไปก็ไม่ที่สุดก็ไม่เคยเห็น นิพพานก็นเหมือนกันคนที่ไม่เคยถึงนี่จะพูดอย่างไรน่นก็ยังสงสัยใช่ถูกต้องรีบพระบริเจ้าเทศไว้ในพระตะบิน ด, ดอกธรรมบทภาคสามหน้าตนต้ น, ตนพระตะโกรดเรนทีห้ากู้ทียพิสด ต, ต้องถึงตรงนี้จึงจะพิสไดไก่ถ้ายังไม่ถึงอย่าไปพิสดไม่วรรนกันไม่ได้ส่วนกันพิสดไม่ได้เหมือนไปอย่างน้ํามันลึกเต้ยมือไม่ถึงไม่รู้เรื่องหรอนี่อันนี้เหมือนกันต้องถึงตรงนี้ เมื่อถึงมรรคยานแล้วสามารถพิสูจน์ได้เด็ดขาดโดยไม่ต้องเชื่อใครนี่คพิสูจน์นิพานต้องถึงตรงนี้นะในธรรมบทภาคสามกลับไปเลยว่าโคอิมังปฏิวิงวิตสติยมโลกันจ่าอิมังสติวะกังใครเล่าจะเป็นผู้พิสูจน์ได้แผ่นดินคือดับภาพนี้ยมโลกอวัยพุนมโรกเปรูกรายสุริสานใครจะพิสูจน์ได้นิพานก็พิสูจน์ได้เสวโภปฏิวิชชิติพระเสขะบุค้อนตรงไหน อตจอผาแจย่มาเลยโสรดาปัญมขัต ท, ทังอาจถงกัตตวะสัตว์เวโคเศโขพระเรือคนเจ็ดจำพวกนักตั้งแต่ผ้าโยคนพูดตัางอยู่ในโสดาปัญมขเป็นต้นไปจึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีนรกมีมรรคผลนิพพานมีนี่แหละหลักฐานความหมดแล้วจะพิสูจน์ต้องพิสูจน์อย่างนี้นรกก็เหมือนกันสวรรค์ก็เหมือนกันนิพพานเหมือนกันโคตรสิสูตรต้องเจริญวิปัปนาถึงมัรคขยาคือยานที่สิบสี่ ทำไมจึงพิสูจน์ได้เพราะกิเลสที่มาห้ามอะมันตายไปแล้วโลภะสีตัวประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐินั่นนะมันขาดตรงนี้ขาดตรงมัรคยา น, นี้ไม่มีวันกลับอีกแล้วเรียกว่าสมุทเฉดเด็ดขาดไปเลยวิจิตโมหะที่สงสัยว่ามีหรือไม่มีก็มาขาดตรงนี้แปนว่ากิเลสตายไปแล้วห้าตัวแล้วเอโลภะสี่โมหะหนึ่งตายเด็ดขาดแล้วเหลืออีกเจ็ดตัว ไม่สำคัญแล้วที่เหลือนั่นอ่ะมันมีห้ามมาคนนี้ผ่านได้สิ่งี้และที่มันดื้อที่สุดห้าตัวนี้ที่เลของมนุษย์เราพูดที่จะพิสูจน์ิพานต้องปฏิบัติถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงนี้อย่าไปพิสูจน์เลยเชื่อตามสมเด็จพ่อไปก่อนนั่นลปลอดภัยที่สุดเพราะมันมีแน่ยไม่ใช่ไม่มีฮะแต่ว่าใครจะพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญามีสามหนึ่งสุดธรรมะปัญญา เรียนพระใจไปไปดกจบพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าแต่ว่คําพี่เปล่าเท่านั้นผู้ที่พิสูจน์ต้องภาวนามัจจายาจินตาม่ปัญญาคิดตลอดเท่าอาพโลกไปโลกพอจันอะไรก็อยู่ในจินตาเออแต่จะพิสูจน์ต้องภาวนามัปัญญาภาวนามัปัญญาก็มีถึงสิบหกขั้นขั้นที่สิบสี่เกงกับพิสูจน์ได้ถ้าจะไม่ถึงน้นี่อยยา่ยาไปพิสูจน์เลยเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเหมือนเราเชื่อพ่อกับแม่ ลูกกิดวันไห้เกิดวันอาทิตย์เนี่ยแล้วจำเลยไหมล่ะอ๋อจําไม่ได้เนาะแล้วใครบอกแม่บอกพ่อบอกเออเชื่อเหมือนอย่างนี้ยึดถายไม่ไวนี้ใครบอกพระพุทธเจ้าเทศไว้แล้วเราเป็นลูกของพ่อเท่านี้จำให้เธอหนิคอนอยากพิสูจน์พิสูดอย่าไปเด็กดาอาเเพราะคมลูกของเราพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นคนละขั้นไม่เข้าขันกันแล้วพิสูจนก็เหมือนเหมือนคนตาบอดม่ได้เกิดถึงที่กล่าวมาแล้วก็เทียงกั น, นทีเนี่ย ก็ต่างคนต่างก็ไม่รู้นี่ผมก็เถียงกันที่ตาบอดคําช้างเห็นแม่ละคนหนึ่งไปถูกสี้้างของช้างมันเป็นเหมนอ่าฝาเรือนนี่คนหนึ่งไปถูกใบหูก็เหมือนกระดองตัดข้าวนั่นแหละคนหนึ่งไปถูกขามเหมือนไม่ขวานคนเลยนั่นแหละคนหนึ่งไปถูกงวก็เหมือนปริงนั่นแหละแน่คนหนึ่งไปถูกขาก็เหมือนถูกนั่นแหละจริงๆอะช้างตัวเดียวกันนี่ถ้าไม่รู้มันจะต้องเถียงกันอย่างนี้ถ้ารู้ปัหาไม่มีเลยพระอริยเจ้าท่านไม่เถียงกันหรอกท่านรู้กันแล้ว ว่าถึงหรือไม่ถึงได้ไม่ได้ดีหรือไม่ดีถ้าไม่ถึงก็จิตเรมันไม่ขาดดูไปง่ายพระเทวทัตเห็นไหมบวชด้กันเจ็ดรูปนโยมนะเป็นเจ้าสักยะหกอุบาลีคนหนึ่งบวชแล้วหกรูปเชื่อพลีเจ้าเจริญวิปัสนาเป็นสาระนับไม่มีสงสัยแล้วแต่พระเทวทัตเล่นสมุทตจนกระทั่งเหาะได้ไม่ใช่เล่นนะเก่งเหมือนกันนะพระทุวันในทุวันใดนะ เหาะได้ยึดทีทีท่สแสดงลทธิใหญ่อธิฐานตัวเป็นเด็กน้อยเอางูใหญ่พอพันสี่ตัวแล้วก็เหาะไปสู่ปราสาทพระเจ้าชาติสโตแปลงเพศเป็นพระจนพระเจ้าท่าสตุรูเลื่อมใสสุดท้ายก็คิดฆ่าพระเจ้าจนต้องถูกแผ่นดินสกตกเอาไว้กีนารกเห็นไหมเหาะได้มันยังไปแค่นี้นะไม่พ้นนะอออย่านึกว่าเหาะได้มันพ้นนั่นมันไปด้วยอํานาจเลธิ์ อำนาจภิญญาโลกิยะกิเลตยังโยเหลืออยู่เท่าไรก็อยู่เท่านั้นแหละไม่มีขาดเลยผมไว้ไปืฌานเพื่อฌานเพื่อทับเสื่อมไปแล้วการพุทธเจ้าจึงสัตว์ไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานนะจะเอาต้องไปต้องไปสาธูนิพพานด้วยวิปสัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงชื่อว่าเอกายนะมรรคเป็นหนทางสายเอกเอตันหิตมเหปฏิปัจฉิทะเชินทางเท่ายเดินทางสายนี้เถิด เอตันหิตุงเฮปฏิปันนามว่พวกเธอถลายเดินสายนี้แล้วทุกข์ัดสนตังกระิตศรัทธาจึงจะทำที่สุดแห่งของทกขให้สิ้นจบลงไปได้ท่านสาธุรชนผู้ใจบุนถ่ายอัตมภาพไขปัญหาเรื่องพิสูจน์พระเดชานสองกัดจบตรงแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้เรานาตคุณมษีรัตน์ไตขอให้ญาติโยมผู้ใจบุนถลายจงดูเห็นเป็นสุก ป, ปราศจากทุกโศกโรคภัย เจริญด้วยอายุวันนสุขภะพระปฏิพานธรรมสารสมบัตตลอดการเป็นนิดมีองกิจสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพยบูล่าวคือมาค้นริพานด้วยกันทุกท่านเธอ